ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตตะปะพระปุพพสิกขาและอุพพะสิกขาวันน า, นาพระอมาราภิรคิตะอมาราเกิดวัดบรมนิวาโรจนาข้อสี่ว่าด้วยกาลิกกาลิกมีสีคือยาวกาลิกหนึ่งยามะกาลิกหนึ่งสัตตาหกาลิกหนึ่ง ยาวะชีวิตหนึ่งโภชนะทั้งห้าคือข้าวสุก ข, ขนมกุมมาสข้าวสัตว์ตูเนื้อปลาและขาเดนิยะมีลูกไม้รากไม้เป็นต้นที่สำเร็จอาหารกิจได้โดยปกติเป็นยาวะกาลิกฉันได้แต่เช้าชั่วเที่ยงถ้าเที่ยงแล้วไปฉันเป็นปาจิตตีถ้ารับประเคียนแรมคืนไว้เป็นสันนิธิฉันก็เป็นปาจิตตี ถ้าทําให้เป็นอันตวุถะคือเก็บไว้ในที่อยู่เก็บไว้ในอกักขปยัคคดีเป็นอันโตปะกะคือใหุ้กในอกักขปยัคคดีเป็นสามะปะกะคือใหุ้กเองฉันเป็นทุกกฎะฉะนั้นยาวัคตริกเหล่านี้ถ้าเอาไปเก็บในอกักขปยัคคดีเก็บในที่อยู่ที่เป็นสาสยะที่นอนที่มุงที่มังเดียวกันเนี่ยนะ ก็เอาไเก็บไว้ในที่อยู่เป็นอณูวุฒะฉันก็ไปต้องบัตรทุกกฎถ้าทําให้สุกภายในที่อยู่ใครจะทําก็แล้วแต่สุกในที่อยู่นั้นก็เป็นอันโตปากะฉันขึไปต้องบัตรทุกกฎเหมือนกันถ้าทำให้สุกเองด้วยก็บัตรทุกกฎอีกเป็นสามะปะกะปณะแปดคือน้ํามะม่วงน้ําชมพู่น้ํากล้วยมีมเมล็ดน้ํากล้วยไม่มีเมล็ดน้ําลูกมะ้างน้ําลูกอ ง, งกุ่นน้ํารากปัวน้ําลิ้นจี่ กับทั้งผลไม้เป็นอนุรมเป็นยามะกาลิกอนุสัมบันฑ์ทำไม่ให้สุขด้วยไฟรับประเคนแล้วฉันได้วันหนึ่งวันหนึ่งคือหนึ่งชั่วยามสุดท้ายเรียกว่ายามะกาลิกพวกน้ำผลไม้น้ำปนะพ้นนั้นไปฉันเป็นทุกกฎถ้าเลยวันหนึ่งคืนหนึ่งไปแล้วเอามาฉันอีกต้องบัทุกกฎเพศตัดทั้งห้าคือเนยใสหนึ่งเนยข้นหนึ่งน้มันหนึ่งน้ผึ้งหนึ่งน้อ้อยหนึ่ง เป็นสัตว์ต า, ากาลิศรับประเคณแล้วฉันได้เจ็ดวันเกินไปเป็นนิสสกีฉันต้องบัดทุกกดถ้าเกินเจ็ดวันไปต้องบันจิตีนิสสกียะปจิตีต้องสละเสียแต่ว่าจะเอามาฉันก็ต้องบัดทุกกฎอีกขมิน้นขิงว่านน้ำํำว่านตระ อ, อุตพิษคาแฝกแ่วหมูน้ําฝาดสะดาน้ําฝาดมูกมันน้ําฝาดกระดอมน้ําฝาดฝาบารเพช น้ำฝาดจับถินพิมานใบสะเดาใบามูกมันใบกระดอมใบกระเพราใบฝ้ายลูกพิลังกาสาดีปลีพริกสมอไทยสมอพิเภกมะขามป้อมผลแห่งโกดยางที่ไหลออกจากต้นหิงคุเป็นต้นเกลือเหล่านี้เป็นยาวะชีวิตรากไม้ใบไม้ที่พ้นจากของพระพุทธเจ้าอนุ ญ, ญาตที่ไม่สำเร็จอาหารกิจได้โดยปกติเป็นยาวชีวิตสิ้น เมื่อมีปัจจัยฉันได้ในการทั้งปวงรับประเค้นครั้งเดียวก็ฉันได้ตลอดชีวิตเลยนะเมื่อมีเหตุป่วยไม่สบายก็พวกนี้เป็นยากาลิกสี่อย่างนี้ไม่รับประเค้นก่อนแล้วฉันเป็นปาจิตตีกาลิกนี่เป็นสิ่งที่ต้องรับประเค้นถ้าไม่ได้รับประเค้นก่อนฉันจะบัติปาจิตตีส่วนน้ําไม้สีฟันพ้นจากกาลิกสี่เป็นกาลิกวิมุตสําหรับน้ํากับไม้สีฟันไม่ต้องรับประเค้น ทานได้โดยที่ไม่ต้องมับเค้นหมายถึงน้ำเปล่าไม่ใช่น้ำเจือสีเจอฝุ่นมีอมิตรไม่ได้การิศปรับบางนิธิตังและเรื่องการิศจบข้อห้าว่าด้วยพินทุอธิษฐานวิจับและปัจจุทรนผ้าใหม่ไม่ได้พินทุด้วยของเขียวแลตมแลของดำกรบริโภคเป็นปาจิตตีพินทุว่าตามท่านสอนสืบมาดังนี้ อิมังพินทุกับตังกัโรมิเท็กตุเมื่อจีวรการสิ้นแล้วไว้อัติเรจีวรคือผ้าไม่ได้อธิษฐานวิกับว่างสี่นิ้วยาวแปดนิ้วพระสุคตขึ้นไปให้เกินสิบวันเป็นนิสกิยะปาจิตตีถ้าจีวราการสิ้นแล้วไม่ได้กรานกฐินหรือว่ากรานกฐินก็แล้วแต่จีวราการสิ้นไปแล้วก็ เก็บผ้าอธิราชวัได้ไม่เกินสิบวันเท่านั้นผ้าที่จะเก็บไว้นี่ก็หมายถึงผ้าที่กว้างสี่นิ้วยาวแปดนิ้วพระสกุขึ้นไปเกินสิบวันก็บับติมิสกิยาไปตีอธิษฐานผ้าสังฆติว่าดังนี้อิมังสังคาติงอธิษฐานมิกับเจ้าอธิษฐานสังฆติขืนนี้ผ้าหอมว่าดังนี้อิมังอุตราสังกังอธิษฐานมิผ้านุ่งว่าดังนี้อิมังอันตรวาสกังอธิษฐานมิ ถ้ารองนั่งว่าดังนี้อิมังนิสีดานังอธิฐามิถ้าเช็ดปากเช็ดหน้าว่าดังนี้อิมังมุขะปุญชนะโจลังอธิฐามิถ้าอาบน้ำฝนว่าดังนี้อิมังวัสสิกะสาติกังอธิฐามิถ้าปิดฝีว่าดังนี้อิมังกันดุปฏิจฉาดิงอธิฐามิถ้าบริขารโจรว่าดังนี้อิมังชีวรังปะริขาระโจรังอธิฐามิหลายผืนว่าดังนี้ อิมานิจีวรานิปริขาระโจรานิอธิฐามิถ้ากูนอนว่าดังนี้อิมังปัจจัธหรนังอธิฐามิหลายผืนว่าดังนี้อิมานิปัจจัถรนานิอธิฐามิถ้าอยู่นอกคัตบาทให้ว่าเอตังเอตานิแทนอิมังอิมานิส่วนการถอนอธิฐานว่าดังนี้อิมังสังคาติงปัจจุธรามิอิมังอุตราสังกัง นสนิดนังวสิกสาติกังการโตปติปชดัดิปริคารโจรั ง, ป, จจรงปัจจัทรนังปัจจุทธรามิหลายเถือนก็ว่าดังนี้เอตานิปริคารโจรานิ ป, จ จ, าานปจจัรนานิปจุทธรามิถ้าจะเก็บไว้ยาอธิษฐานให้วิกับแกชะรมทิทั้งห้าที่ชอบกันว่าดังนี้อมังจิวรังตุยหังวิกับเปมิหลายเถือนว่าดังนี้ อิมานิจิวราณิตุยหังวิกับเปมิอยู่นอกคัฏบาตรก็ว่าเอตังแทนอิมังเอตานิแทนอิมานิถ้าวิกับไว้แล้วไม่ให้ผู้รับวิกับถอนก่อนเอามาบริโภคเป็นปาจิตตีผู้จะถอนวิกับว่าดังนี้อิมังจิวรังไมหังสันตกังปริพุนชักวาวิสัชเชหิวายถาปัจจยังวาตโรหิ หลายผืนว่าดังนี้อิมานิจิวรานิไมหังสันตการนิปาริพุญชวาวิสัตเชหิวายะถาปัจยังวากะโรหิถ้าท่านแก่กว่าก็ให้ว่าปาริพุญชทาวาวิสัตเชทวายถาปัจยังวากะโรทะที่ตุวไว้อตัตเรกบาทคือยังไม่ได้อธิษฐานวิกับให้เกินสิบวันเป็นนิสักียปะปัจิตีบาทนี้ก็ ถ้อยังไม่ได้ฐานบาตรที่สามารถอฐานได้เก็บไว้เกิดสิบปันก็ต้องนิสกิยาปิจตีเหมือนกันอธิษฐานบาตรว่าดังนี้อิมังปัตตังอธิษฐานมิจะเก็บไว้ให้วิกับว่าดังนี้อิมังปัตตังตุยหังวิกับเตมิหลายใบว่าดังนี้อิเมปัเตตุยหังวิกับเตมิบาตรวิกับไว้แล้วไม่ให้ผู้รับถอนวิกับอามาบริโภคเป็นทุกข์กฏ ผู้ถอนวิกัปให้ว่าดังนี้อิมังปัตตังไม่หังสันตกังถ้าบาทหลายใบก็ว่าดังนี้อิเมปัเตไม่หังสันตะเกปะริพุนเชวาวิสัชเฉหิวายถาปัจยังวากะโรหิพินทวาทิฐานาทิปพังนิสติตังอันนี้ก็เรื่องของพินทุอธิษฐานวิกัปปจุฑรข้อที่หกว่าด้วยขาดอธิษฐานเป็นต้น ถ้าแลบาทขาดอดิษฐานด้วยเหตุเก้าอย่างคือให้เขาเส้นหนึ่งโจรชิงเอาไปเส้นหนึ่งเขาถือเอาโดยวิสาสะหนึ่งหมุนไปเป็นคนเลวคือถือเพศขาดหนึ่งหมุนปเป็นคนเลวนี่คือพวกเข้ารีดเดียรถีแล้วก็ราศิษฐขาหนึ่งตายเสียหนึ่งเพศกลับหนึ่งปัจจุทอคือถอนเสียหนึ่งแล้วก็เป็นช่องทะรุหนึ่งช่องทะรุนี้ได้ในตรายจีวรและบาท ถือเอาด้วยความคุ้นเคยได้แห่งภิกตุพร้อมด้วยองค์ห้าคือเป็นมิตรได้เห็นกันมาหนึ่งเป็นมิตรมั่นคบกันสนิทหนึ่งได้พูดกันไว้ว่าของของเราท่านอยากได้สิงได้จงถือเอาสิ่งนั้นเถิดหนึ่งยังเป็นอยู่คือไม่ตายหนึ่งรู้อยู่ว่าเราถือเอาแล้วเขาจะดีใจหนึ่งพร้อมด้วยองค์ห้านี้จึงถือเอาขึ้นจึ่งถือเอาขึ้นหมายถึงว่าถือวิสาสะแต่เพราะว่า มีแค่สามองค์เท่านั้นก็ถือสาสะได้นะก็คือเขาจะมีชีวิตอยู่ถือแล้วเขาจะพอใจแล้วก็อีกองค์ใดองค์หนึ่งในสามองค์นั้นหมายถึงว่าเป็นเพื่อนคบกันมาเคยเห็นกันแล้วก็ได้บอกกล่าวกันไว้ว่าให้ถือเอาได้ต่อไปรับประเคนพร้อมด้วยองค์ห้าจึงขึ้นคือของพรมัชิมะบรุษยกขึ้นได้หนึ่ง ได้หัตถบาตรคือวัดตั้งแต่ส่วนข้างหลังไปถึงตัวผู้ให้เว้นแต่มือที่ยื่นประเคนเสียให้ได้สองศอกคือหนึ่งมีเป็นองค์ที่สองน้อมเข้ามาน้อยหนึ่งมีการน้อมเข้ามามีวิญยัตแสดงอาการกายวิญยัตมาหนึ่งเทวดาหรือมนุษย์หรือเดียรฉานให้ด้วยกายหรือด้วยของเนื่องด้วยกายหรือว่าโยนให้ก็ได้แต่ต้องอยู่ในหัตถบาตรนะอีกหนึ่งเทกตุรับด้วยกายหรือว่ารับด้วยของเนื่องด้วยกายหนึ่งอันนี้ก็ วิชะอานาติต บ, บังนิทิตังเรื่องการขาดอธิษฐานเป็นต้นข้อที่เจ็ดว่าด้วยสําแดงอาบัตเป็นต้นการแสดงอาบัตอาบัตที่สุกแกล้งต้องแล้วเป็นอานาวีติกมันตรายิกะก็คือเป็นอันตรายต่อการบรรลุมรรคผลและก็สวัรค์ด้วยอ่อนพึงสัมแดงดังนี้ว่า อะหังพันเตเอกังทุลจจะยังอาปติงอาปันโนตังปฏิเดเสมิขราแต่ท่านผู้เจริญครับเจ้าต้องอาบัตทุลจใจหนึ่งตัวครับเจ้าขอแสดงอาบัตนั้นผู้แก่กว่าก็ถามว่าปาสสติอาวโุโสท่านเห็นหรือก็รับว่าอามะพันเตปัสสามิคราบเจ้าเห็นอยู่ท่านผู้เจริญผู้แก่กว่าก็ว่าอายติงอาวโุโสสังวรยาสีท่านบอกว่า ดูก่อูมิยายุขอยท่านจงระวังสำรวมต่อไปขอรับว่าสาธุสุทุพันเตสังวริสกามิเีระขอรับผมจะระวังสำรวมต่อไปสามครั้งอหังพันเตเอกังนิสักยังปาจิตยังปาจิตยังดุกตตังดุพาสิตังอาปาติงสังปฏิเดเสนี้ก็แสดงตั้งแต่บัณฑิตกิยาปัจจิตีหรือว่าปัจิตีหรือว่าทุกกฎไปตามลำดับก็แปลว่าข้าพเจ้า ต้องอาบัตถุทใจตัวหนึ่งขับเ จ, าจา้าแสดงอาบัตดนั้นแก่ท่านผู้แก่ปรก็ถามว่าท่านเห็นแน่หรือรับว่าขับเจ้าเห็นอยู่ผู้แก่ว่าท่านพึงสํารวมระวังต่อไปรับว่าขับเจ้าจัดสํารวมด้วยดีละถ้าหลายตัวก็ว่าดังนี้อาหั่งพันเตสัมบะหุลาทุลลจัยาโยอาปฏิโยอาปันโนตาปฏเดเสมิผู้ที่เขารับเขาก็จะถามปัสติอวโตอามะพันเตปัสามิ อาจจะติงเอาโซ่รงริยสีสาธุสตุปุปนเตทรงอริษามีสาธุสตุปุปนเตทรงริษามิทุสตุปุันเตทรงริษามีอ่างพันเตสัมบหุลานิสักียาโยปาจิตยยาโยหรือว่าปาจิตตยาโยสุติกะทุกตาโยหรือว่าทุพาสิตาโยถ้าบัตหลายตัวเนี่ย่าปฏิโยอปันโนตาปฏิเดเสนิแล้วก็ผู้ที่เคารอบัตก็แสดงเหมือนเดิม ถ้าอาบัติมีวัตถุต่างๆกันก็ว่าดังนี้หมายถึงว่ามีหลายวัตถุสัมบัติหลายตัวหลายวัตถุด้วยนะอะหั่งพันเตสัมบาหุลา น, านานาวัตถุกาโยทุลัจจะญาโยนิสักยาโยปาจิติยาโยปาจิติยาโยทุกกตาโยทุพัสติตาโยอาปันโนตาเปตติเตมิกัปัสติอวุโตอะมะพันเตปัสามีอาจิตอวุตโตสังวริยสีสาธุตุพันเตสังวริสามิทมครั้ง ถ้าแสดงกับผู้อ่อนป่าก็ให้ว่าอาวุโสถ้าสงสัยก็ให้ว่าดังนี้สงสัยนี้ไม่ต้องแสดงอบัตินะแสดงความสงสัยแทนอ้างพันเตเอกิสาทุลละจายายะอาปาติยาเวมาติโกยดานิเบมาติโกภวิตามิตดาตังอาปาติงปติกริสามิแปลว่าข้าพเจ้าสงสัยในอบัติทุลจัยตัวหนึง่งคราวใดไม่สงสัยคราวนั้นจักทําอบัตินั้น อาบัต์นั้นก็ให้เปลี่ยนชื่อใส่ที่บทธุระใจถ้าเป็นอาบัต์ตัวอื่นถ้ามากตัวก็เป็นถูฟจน์รมา ก, ก็ว่าอย่างนี้อหังพันเตสัมปาหุลาตุทุลจยาตุอปัติสุเวมัติโกยาดานิบเบมัติโกพวิสสามิตดาตั้งอาปาติงปติกริสสามิเทตุ สำแดงหรือรับสภาคาบัตเป็นทุกกฎถ้าแสดงอาบัตก็ดีหรือว่ารับอาบัตที่เป็นสภาคาบัตก็ ต, ต่างควรต่อบาททุกกฎถ้าทมอุโบสถปรนน่าอยู่ระลึกอาบัตได้ให้บอกดังนี้อาหังพันเตเอกลางทุนเราจะยังอาปาติงอาปันโนอุโตอุทะหิตวาตั้งอาปาติงปฏิกริสตามิแปลว่า ข้าพระเจ้าต้องอบับบทุจัยตัวหนึ่งแล้วรู้จากที่นี้จากคทางคืนอบัตนั้นี่ยก็ไม่ต้องไปแสดงในท่ามกลางที่แสดงอุโบสถที่กระทําสวดปาฏิโมกข์อยู่สวดปาฏิโมกข์เสร็จแล้วค่อยออกมาแสดงข้างนอกแต่ว่าต้องสกิจบอกเพื่อนเอาไว้ถ้าสงสัยให้ว่าดังนี้อาหังพันเตเอกิสาทุลัจยายะอาปัติยาเวมาติโกยดานิเบตมะอิโกพวิตซามิตดาตังอาปติงปฏิกริสามิ ให้ประกอบชื่ออาบัติอื่นตามตัวเดียวหรือว่ามากตัวแหลวัตถุต่างๆเทินเทศนานิทิตานี่ก็เป็นเรื่องการแสดงอาบัติแบบ ย, ยออ่อว่าด้วยอุโบสถอุโบสถว่าโดยวันมีสามคือวันที่สิบสี่ข้าที่สิบห้าข้าหรือว่าวันที่สองแตกตันแล้วก็ประชุมกันได้เรียกว่าวันสามคัคคีวันท้อมเพียงเมื่อว่าโดยอาการก็มีสามคือสุดตุทเทศอุโบสถสุดตุทปฏิโมกแบบพิษดาร ปาริสุทธิอุโบโสถก็แสดงปาริสุทธิกันสามรูปหรือว่าสองรูปและอธิษฐานอุโบสถก็อยู่รูปเดียวอธิษฐานเอาว่าโดยผู้ทำอาการผู้ทำโดยอาการมีสามอย่างสุดตุดเทศปาริสุทธิแล้วก็อธิษฐานโดยผู้ทำ ม, มีสามก็คือสังฆาอุโบสถสี่รูปขึ้นไปนะคณะอุโบสถสองรูปหรือว่าสามรูปปุกคณะอุโบสถก็รูปเดียว แต่สี่องค์ขึ้นไปเป็นสงพึงตั้งยติและปาทิโมกแต่สามองค์ชั่วคณะผู้ฉลาดพึงตั้งคณะยะติอย่างนี้ว่าสุนันโตเมอาสัม ม, สมันตาอาชุโปสะโตปันนารโตตาจุติข้ามก็เป็นจตุตโตยาดายัสมันตานังปะตะกันลงังมะยังปาริสุติอุโปสทั้งกะเรยามะอันนี้ก็เป็นคณะอุโบสถ แล้วผู้แก่พันษาพึงทำผ้าห่มเฉวียงบาข้างหนึ่งนั่งยองยกมือประนมแล้วบอกว่าปะริสุทธโธอาหังพันเตปริสุทธโธติมังธาเรทะดังนี้สามทีข้าเจ้าบริสุทธแล้วขอท่านจงทรงจำข้าเจ้าไว้ว่าเป็นผู้บริสุทธแล้วแล้วผู้หนุ่มพึงทำดังนั้นแล้วแลบอกดังก่อนแต่ให้กล่าวว่าพันเต ปริสุทธโธอาหังอาวุโสปริสุทธโธติมังธาเรหิถ้าสององค์ก็ไม่ต้องตังยติผู้แก่กว่าพึงทำดังก่อนบอกว่าปริสุทธโธอาหังพันเตปริสุทธโธติมังธาเรหิตามที่ผู้หนุ่มก็ว่าปริสุทธโธอาหังพันเตปริสุทธโธติมังธาเรหิปริสุทธโธอาหังพันเตปริสุทธโธติมังธาเรทะถ้าอยู่องค์เดียวก็ถึงวันอุโบสถเข้าพึงนั่งคอย ถ้าพิสุอาคอคตุกะไม่เห็นมาแล้วนั่งคอยอสนากรรมมีมาไหมทำไมมาก็พึงอธิษฐานว่าอัชุปโปทโทปนาระโซติอธิษฐานมิถ้าสิบสี่ขัก็ว่าอัชุโปสโทจตุตโตติอธิธามิาาโโาามในอุโบสถทั้งปวงต้องทำบุกรตมีการกวาดรงอุโบสถเป็นต้นก่อนแล้วจึงทำถ้าบอกปริสุท์ในสงก็ให้ว่าปริสุโทโธอหั่ง พันเตปริสุโทโธติมังสังโคทาเรตุปริสุธโทอังพันเตปริสุธโธติมังสังโคทาเตตุสมครั้งนี้จะเป็นเรื่องของอุโบสถจะว่าด้วยเข้าวรรษาเข้าวรรษามีสองคือปุริมิกาเข้าวรรษาที่แรกข้าวภาษาต้นในวันแรมข้ามหนึ่งเดือนแปด ปัชานิกาข้าบรรษาที่หลังในวันแรมค่ำหนึ่งเดือนเก้าอธิษฐานอยู่ในกุฏิแต่ผู้เดียวว่าอิมัสมิงวิหารเรอิมังเตมาสังวัสังอุเปมิสามครั้งตือทําแต่อาไลาว่าเราจะอยู่ในที่นี้ก็ได้ข้าอธิษฐานทข้าภาษาพร้อมกันว่าดังนี้อิมัสมิงอาวาเซอิมังเตมาสังวัสังวสามิสามครั้ง พึงจำระเศนาสนะและตั้งน้ำฉันน้ำใช้และทำสามิจกรรมก่อนจึงอธิษฐานเข้าปัญษาอันนี้ก็วัตถุปานายิกานิิตาเรื่องการเข้าปัญษาจะว่าด้วยปรวรณาปรวรณาก็มีเก้าเหมือนอุโบโสถแต่ห้าองค์ขึ้นไปชื่อวสงค์ผู้ฉราดถึงตั้งสังยะยติว่าสุมาตุเมพันเตตั้งโข อาชะประวรณาปันนารสยดิสังคาสะปตะกัลังสังโคเตวาจิกังปวารยะแล้วผู้แก่พึงทำผ้าห่มเฉียงบ่าข้างหนึ่งนั่งยองยกมือประนมกล่าวว่าสังคังอวุโสปวาเรมิดิเทนวาสุเตนวาปริสังกายวาวัดันตุมังยัสมันโตอนุกัมปังอุป า, ายะปาสันโตปฏิกริสามิ ตติยปิอาวุโสสังฆังปวาเรเณมิตติยปิอาวุโสสังฆังปวาเรเณมิดิเทนวาตุเตนวาปริสังกายวาวัดันตุมงไยยสมัมโตอนุกัมปังอุปาดายะปะสันโตปฏิกริสามิผู้อ่อนก็พึงทำผ้าผมฉวงบ่าข้างหนึ่งแล้วก็นั่งยองกนมมือกล่าวเหมือนกันแปลแต่ว่าเปลี่ยนเป็นพันเตนถ้าตีองสามองค์ชื่อว่าคณะ ผู้ชาราพึงตั้งคณะยติในปรานานี้ก็ตั้งว่านนตุนนตเมผันเตายสัมันโตหรืวอว่าอเยสมันตาอจชะประวรณาปนรติยดาอยสมันตานังปตะกัลังมะยังอัญญามัญยังปวาริยามะและผู้แก่พึงทำผ้าห่ามเฉียงบ่าข้างหนึ่งนั่งยองยกมือประนมกล่าวว่า อาหังอาวุโสอายศมันเตปวาเรเอมิดิเทนาวาตุเตนาวาปริสังกายวาวดานตุมังไยยศมนตัอนุกรมปังอุปาดายาปัสสันโตปิติกริสา ม, ทมิทุติยมปิตติยมปิก็เหมือนกันเป็นการปรนนาให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ด้วยความกระทําผิดได้เห็นได้ได้ยินหรือว่าด้วยความสงสัยก็ดีอนุเคราะห์ใครมีปรนน่านุเคระาะห์ก็ช่วยว่ากล่าวตักเตือนกันเป็นวิธีการที่ดีมาก ผู้หนุ่มก็พึงทำดังก่อนกล่าวเหมือนกันแปลกระว่าให้เปลี่ยนอวุโสเป็นทันเตเท่านั้นถ้าอยู่สององไม่ต้องตั้งยติผู้แก่พึงทำดังก่อนก็กล่าวว่าอหังอวโุโสอายัสมันตังปวาเรนิอิเทนาวาสเตนาวาปริงังกายวาวดันตุมังอายัตมาอานุกรรมบังอุปาดายปะปัสสันตโตปจิกเรซามิดุติยัมปิตัติยัปิก็เหมือนกันผู้หนุ่มก็พึงทำดังนั้นกล่าวเหมือนกันแปลกระ ว, ว่าเปลี่ยนเป็นทันเตเท่านั้น ถ้าอยู่องคเดียวถึงวันปรณาพึงคอยอคันตุกะไม่เห็นมาพึงอธิษฐานว่าอัชชะเมประวรณาปันนารสิติอธิษฐานมิทิพาข้ามถ้าติเตข้ามก็อัจชะเมประวรณาจตุตสติยติอธิฐานมิพึงทําอุปกรณ์มีกว่าโรมประวรณาเป็นต้นก่อนแล้วจึงทําปรณากรรมทั้งปวงนี่ก็เรื่องปรณาจบจะว่าด้วยสีมา อุโบโสถตรณนาและสังฆกรรมอันเศษย่าพึงละหัตบาทกันทำภายในสีมาสีมานั้นมีสองก็คือพัชตเมาแดนที่สงผูกกับพัชศีสมาแดนสงไม่ได้ผูกในแดนบ้านแดนนิคมสงกำหนดที่อย่างใหญ่เพียงสามโยน์อย่างเล็ก จ, จุภิสูนั่งได้ยี่สิบเอ็รูปได้ผูกนิมิต ด, ด้วยนิมิตส ม, มุิด้วยวิธีให้พ้นวิบัติสิบเอ็ดอย่างพร้อมด้วยนิมิตสมบัต ปริสสสมบัติและกรรมวาจาสมบัติชื่อว่าพัฏตสีมาอาพัตตสีมานั้นก็มีสามคือคามาสีมาอย่างหนึง่งสัตตพันตรสีมาอย่างหนึ่งแล้วก็อุดะกุกกะเขปะสีมาอย่างหนึงงหน่งแดนบ้านแลนิคมเท่าใดที่สงไม่ผูกเป็นแดนสีมาพิกจุขเข้าอาศัยอยู่แดนบ้านแลนิคมนั้นชื่อว่าคามาสีมาสามารถที่จะทําสังฆกรรมได้แต่ว่าภิกษุที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นในเขตบ้านนั้นต้องมารวมกันทั้งหมด ในป่าที่ไม่มีบ้านโดยรอบเจ็ดอัพพันดรชื่อว่าสัตตพันตรักีมาอัพพันดรหนึ่งก็ยี่สิบแปดอกยี่สิบแปดอกสองส อ, สอเป็นหนึ่งเมตรยี่สิบแปดอก็เท่ากับสิบสี่เมตรเจ็ดอัพพันดรก็เลยเก้าสิบแปดเมตรโดยรอบก็รอยเก้าสิบหกเมตรสามารถที่จะเป็นสีมาได้ในป่าที่ไม่มีบ้านในแม่น้ำและชาติสร์หมายถึงสที่เกิดเองะทะเล ในที่ชั่วสาดน้ำแห่งมชิมบรุษโดยรอบหนึ่งชื่อว่าอุดะกุกัะเขปะสีมาสีมาทั้งสามนี้มีสังวาดเสมอกันร่วมกันมีอุโบสถอันเดียวกันก็ไม่ต้องผูกอภัสตสีมาสามารถทาอุบสถตมามตำสับกรรมได้เลยเทศนาที่ประฟังอันนี้ไม่ใช่เทศนานี่ว่าด้วยเริ่มของสีมาเรื่องสีมาก็จบนี่เป็นสตตะประภุพพติขา เดียวที่ขาววัา น, านี้จะแสดงที่รำละเอียดสัตตะปพระปุกพระสิกขานิทิตาปุปะสิกขาอมะเรณนะนามายังเมสมานิตาตเทวสัปปปานีนังกุสลาสาสมิชตุจบตตะปพระปุกพระสิกขาเท่านี้อันนี้ก็เป็นการแต่งโดยย่อ แต่ว่าปุพหะกิขาวันนานาที้ท่านก็จะมาแสดงรายละเอียดเริ่มตั้งแต่การงทนน า, นาพระรัตนตรยัยพระพุทธพระธรรมประสงค์พระพุทธคุณพระธรรมคุณแล้วก็พระสังฆคุณอย่างละเอียดพอสมควรซึ่งจะเอาไว้ต่อในวันต่อไปก็ขอให้ตัานสาวทุกชนทั้งหลายมีศัทธาเริ่มใสในพระรัตนตรยัยแล้วก็อบรมไตรจิกขาเพื่อที่จะกระทําการกำหนดรู้ทุกและสมุทยัยธรรมนิรธาที่แจ้งแล้วก็อบรมอริยมรรคให้บริบูรณ์ไข้พ้นจากวาตาทุกทุกท่านด้วยเถิด สาธุสาธุสาธุ